พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงปโปรดคณะศรัทธาที่มาจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่20มกราคม2 5น8ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีถึงการบำเพ็ญของนางผิดใจให้มนดทาทันตุฟังทั้งหลาย ซึ่งมาจากสถ า, านที่ต่างๆมีความสนใจในธรรมเป็นอย่างยิ่งในข้าตามโอกาสอนควรนระเฉพาะอย่างยิ่งผ่านที่เป็นนักบวชมึงมีงความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาหวังจะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ โดยไม่มีอันไรเหลืออยู่ภายในจิตใจให้เป็นภาพแห่งความเกิดอยู่ต่อไปการอบรมจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านแสดงไม่มากม่ เนี่ยสรความยอกๆคันสนีสมาธิปัญญามีสามประการคำว่าสีเราทุกท่านก็ได้ฟังและเข้าใจกันมาพอสมควรแต่คำว่าสมาธินี่และ ปัญญาทั้งสองประเภทนี้ดุจกันใช่หครับซ้อนัล น, นไม่อาจจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามความหมายในคำว่าสมาธิและคำว่าปัญญาได้ฉะนั้นการอบรมในธรรมทั้งสองประเภทนี้จึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ที่ท่องทางให้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 มีหลายวิถีแต่เมื่อสรุปความลงแล้วก็ขึ้นดูกับทำเครื่องอบรมที่เราจะนํามาบําเพ็ญหรือกํากับจิตใจของเรานั้นเป็นธรรมที่ถูกกับเจดิตจิตใจของเราเราจะกําหนดลมหายใจหรือทําบทใจก็ต่างบรรดาธรรมที่เรานํามากําหนดหรือภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความปลอดโปร่งกันใน จ, จิตใจ แล้วนำทำบทนั้นเข้ามากากับใจในขณะที่ภาวนาเมื่อใจได้ถูกสลิด ก, กับธรรมแล้วก็เช่นเดียวกับโรคที่ถูกกับยานับวันซะหายวันหายปีนไปจนหายจากโรคโดยเด็ดขาดได้ด้วยการถูกยาลักษณะของจิตซึ่งเป็นโรคโประเภทหนึ่งซึ่งใครๆก็มีด้วยกัน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 อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือเกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาสเพราะคําว่าโรคเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสคาว่ายาที่จะถูกกับโรคนั้นเมื่อนํามาประกอบซึ่งสมควรจะถูกกับโรคได้แล้วไม่ว่าโรคผู้หญิงผู้ชายย่อมจะประสบกับยาได้และมีวันจะหายได้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 ทำ ม, มักง่ายเมื่อทําลงไปแล้วให้เห็นผลกระจั์ในขนาดนั้นแต่สำคัญดีที่ความมุ่งผลขนาดไหนแล้วบาเพ็ญเหตุลงให้สมควรกับผลที่จะปรากฏขึ้นตามขนาดที่ตนต้องการ้วยความภาคความเพียรความพยันความอุตสาหพยายามความอดความผนนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา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 จะไม่นอกเหนือจากหลักความเพียรที่บำเพ็ญโดยถูกต้องไปได้เลยฉะนั้นคำว่ามัติมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงกระทานไว้จึงเป็นธรรมศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้มีความเอียงไปตามสมัยการใดๆทั้งนั้นมีความคงที่อยู่ด้วยความเป็นกลาง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 ผลเป็นเครื่องสนองเหตุที่ผู้ทำนั้นมีความขวัญขวายดีเป็นประจำนั่นเองหากมาการบการทำลงไปแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบแทนแล้วโลกก็จะไม่มีมนุษย์และสัตว์ตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เลยเพราะสัตว์แสวงหากินก็ไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินก็ไม่มีความอิ่มท้องหาความสุขไม่หนัก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 พผลไม่สนองเหตุที่ตนทําแต่นีิหาเป็นเช่นนั้นหมาเพราะเหตุกับผลเป็นคู่เพียงกันไปนั่นเองโลกจึงไม่ได้สูญจากสัตว์แต่มนุษย์จึงยังเป็นโลกติดจนกระ ท, ทั่งปัจจุันนี้และยังจะเป็นโลกตลอดไปทางหนานับกี่กับไม่ท้วนเรื่องของธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้าก็าเหมือนกันเช่นนั้น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 ใจของเราที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่ามีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาหาการหรือหาเวลานิ่งนอนนิ่งอยู่กปตกติไม่ได้จิตที่มีความนิ่งอยู่เป็นปกติคือจิตราะจากสิ่งอาศัยภายนอกแต่มาอาศัยธรรมภายในได้จตกการอบรม เมื่ออาศัยทำภายในซึ่งเป็นเครื่องอบรมแล้วจิตยอมจะมีหวังอย่างเข้าสู่ความสงบได้จิตที่มีความสงบนั่นแหละผ่านเนียกว่าจิตเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ปรากฏสุขขึ้นมาในขณะที่สงบหรือนิ่งอยู่นั้นเราทุกท่านที่ต้องการความสุขจากจิต ข, ของตัวเองโดยแท้จริงแล้วโปรดได้บําเพ็ญ ตามที่อธิบายมานี่เราจะได้เห็นจิตของเราที่ได้ครองอัตภาพอยู่นี้นับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันเราได้บําเพ็ญปรากฏความปุขขึ้นในใจนี่ว่าใจของเราเป็นของมีคุณค่าจริงตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ามโนปุพังคโนมัมโนปุพังธรมาธรมามโนเศรษฐามโนมยะสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นประธานมีใจประเสริ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 หัวใจของเราละนอกจากจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความดีเด่นเห็นผลกระจักใจของตนและเป็นใจที่มีคุณค่าเป็ น, นำลำดับไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นสาหรับความรู้สึกของมนุษย์ผู้มีความมุ่งหวังในทางดีและความสุขและมีความรู้สึกเช่นเยียวกัน ในบางต้นต้องมีการลำบากลำบากบ้างเป็นธรรมดาสําหรับการอบหลงนั่งเบื้องต้นกับยัง15นาทีก็ยังดีขณะที่นั่งจะเป็นเวลา10นาทีก็าตาม15นาทีก็าตามหรือมากกว่านั้นก็าตามโสดทําความรู้สึกกับทำที่ตนนํามากํากับ จ, จิตใจจะเป็นพุทโธก็าตาม หรือจะเป็นอน า, าพานณสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับบทธรรมนั้นๆไม่ให้เผลอคือไม่ให้จิตทรงไปสู่อารมณ์อื่นๆที่ผ่านมาแลว้วก็ดีที่ยังไม่มาถึงก็ดีให้มีความรู้สึกจิ่จำเพาะใจเท่านั้นในขณะที่นั่งภาวนาวันนี้ก็ทำอย่างนี้ วาลาตหน้าก็ทาอีกเช่นเดียวกันใจก็จะค่อยมีความผ่องใสขึ้นมามีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาภายในตุ่เห็นผลคือความสุ ข, ขกระจัดใจเมื่อปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขอันสืบเนื่องมาจากความสงบขอ ง, ของใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากการบาเพ็ญ น, นั่นแล้ว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 ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกันถ้าขาดความภาคความเพียนเป็นเครื่องสนับสนุนแนวก็ไม่กล้าหน้านอกจากไม่กล้าหน้าแล้วยังจะถอยหลังลงไปอีกถอยหลังลงไปมากเท่าไหร่ก็ขนทุกมาให้เราทุกขังนอกทุกขังในทุกที่ไหนไหนก็มารวมหัวใจดวงนี้ก็เลยกลายเป็นทะเลแห่งความทุกข์ขึ้นที่ใจ มองไปที่ไหนโลกก็เลยกลายเป็นโลกแทะเข้ามาทั้งๆที่โลกกว้างแสนกว้างก็มาแทะติดที่ใจซึ่งเป็นเจ้าคุกมี่เพราการดัดแปลงผลของคนไม่ได้และปล่อยตามเปิใจให้คิดตามปัญาากรรมผลที่เป็นไปตามญาฐากรรมนั้นจึงกลายเป็นความความทุกข์ร้อนที่มาที่ใจให้ตัดสินไปในทางที่ผิดก็มีจำนวนไม่น้อย แทนที่ตัดสินลงไปในทางจิตจิตเป็นผลดีขึ้นมากลับเพิ่มทวีขึ่ความทุกข์ขึ้นมาแต่ตองอีกนี่ลักษณะแห่งการกลับปรุงจิตใจตปในทางจิตเป็นผลเช่นนี้มีเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นผู้ถือพระพุทธาศาสนาเราจริงไม่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 ไฟที่ไหนมาที่ใดให้มีสติเป็นเครื่องกากับจิตใจสมอใจก็จะไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกไปสังสมอารมณ์เพื่อนำผลเป็นทุกข์เข้ามารุ่มรุมหัวใจให้รับความเดือดร้อนละจะมีความสงบเพื่อเร็นเป็นลำนับลักษณะของใจที่มีความสงบนั้น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 คำบริกรรมก็ปล่อยวางกันในขณะนั้นนี่ทะเนียบมาเ อ, า ก, เอกตระตาถึงความเป็นหนึ่งขึ้นหนึ่งเฉพาะความรู้ไม่สองกับอารมณ์นี่หละเมื่อจิตเป้นหนึ่งจิตจะมีความสุขสแสดงความอัศจรรย์และแปลกประหลาดอย่างยิ่งขึ้นมาภายในใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นนี่หลักเบื้องต้น ที่เราจะได้เป็นสักขีพยานในการอบรมจิตใจจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันในไายผลผู้บากกําเพ็ญต้องปราบขุนนี้เพราะอํานาจความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าหญิงชายนักบวช น, นักฆราวาสผลจะต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกันมีเรียกว่าเราไล่ลต้นทุนคือจิตมีความสงบเยือกเย็นจะเรียกว่าเป็นสมาธิกอดันคือมั่นคงต่อตอนเอง ลักษณะของจิตที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความจำนานหรือไม่จำนานต่างกัน้ามีความจำนานมากจิตที่อย่างเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนั้นก็เป็นเวลานานทารงตัวเองไว้ได้เป็นเวลานานๆแลแสดงความสุขความอัิจรรย์ให้ผู้บําเพ็ญได้เห็นประจักใจเป็นเวลานานอีกเช่นเดียวกันเมื่อานานถอนขึ้นมาแล้ว จิตก็ยิ่งจะมีความดูดดื่มในผลที่เคยปรากฏแล้วในขณะที่จิตสงบลงไปและเป็นเหตุให้เพิ่มความพาความเพียรที่จะทำจิตทั้งตนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นหรือให้พักได้นานกว่านั้นอันนี้ได้ทรงความสุขไว้เป็นเวลานานๆถอนขึ้นมาแล้ว พยายามพิจารณาอีกเช่นที่เคยทํามาเราอย่าลดละการกระทําของเราและอย่าคาดผลที่เคยปรากฏมาแล้วแต่ผ่านไปแล้วสําคัญ ท, ที่สาเหตุเพราะเหตุใดจิตจึงได้อย่างเข้าสู่ความสงบเช่นนั้นหนี่งเกี่ยวกับสาเหตุเรากําหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจิตจึงเป็นอย่างนั้นให้เรียหลักเหตุที้ไร โดยไม่ต้องประคำหนึ่ถึงผลที่ปรากฏและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์อีกต่อไปเป็นเพียงว่ากําหนดกับตัวเหตุที่เคยเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้เป็นไปเพื่ความสงบเช่นนั้นไว้ให้แน่นแฟ้นเช่นเรากําหนดลมหายใจก็กําหนดอยู่เฉพาะลมหายใจไม่ต้องไปคาดผลอะไรอีกต่อไปเมื่อเหตุ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 แม้เราจะถอยจิตออกมาเวลาจิตถอนจากสมาธิแล้วนั้นเราจะนำาวธิ์ท้ายจิตที่ถอนออกมาแล้วนั้นทพ่อจรณาทางด้านปัญญาไตรตรองดูสภาพในภาพในขันของเขาของเราสภาวะธรรมพวก ท, ทั่วไปซึ่งเป็นธรรมเทศนาอยู่ในหลักธรรมชาติให้เห็นเป็นความแปรสภาพความแตกสลายท่านถ ง, งอทั้งนั้น ทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่อนาคตซึ่งยางไม่มาถึงทั้งปัจจุบันที่ปรากฏเห็นด้วยตาได้ยินโดยหูนี้มีสภาพแต่ความจะเป็นของแปรตัวนู่เช่นเดียวกันภายนอกก็แปรอยู่รอบตานทุกๆสิ่งดำเนินไปในแถวความแปรกวนแม้แต่ต้นไม้แม้แต่ภูเขาหินทั้งภูเขาหินทั้งลูก ก็ยังต้องแปรแต่การแปรของภูเขาทั้งลูกนั้นแปรไปตามความมั่นคงของเขาเป็นเวลานานๆมาแต่แปร ล, ลงอย่งางปัจจุบันหรือทันหูทันตาทันความต้องการของเราเหมือนอย่างสภาพที่ไม่มั่นคงทั้งหลายแต่อย่างไรก็ต้องแปรในระยะช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้น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 มั่งออกไปบังหากงนั้นไม่สมายองนี้เป็นทุกข์องนั้นเจ็บท้ององคงนี้ปวดศีรษะคงนั้นเป็นไข้ถามทุกคน เ, กเป็นเรื่องของกองทุกข์ด้วยกันเพราะอำนาจั้งความแปรปรวนไม่คงที่เรื่องของอนิจจังคือความแปรสภาพดีเรื่องของทุกขังคือความดีขั้นเรานั้นกว่าดีเรื่องของอนาัตตาก็ดี มันเป็นเชือกเส้นเดียวแต่เป็นสามเกรียวเท่านั้นฟั้นติดกันอยู่พอพิจารณาสภาพนึ่งก็ซึมทราบไปถึงกันหมดย้อนเข้ามาพิจารณาดูตัวของเราทุกอาการที่เป็นขึ้นมานี่เราก็เห็นความแปรมาเป็นลนำดักนับตั้งแต่วันเริ่มคลอดออกมา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 ถ้าเทียบทั้งโลกเราเราเรียกวันนอนเวลาเขาตื่นนอนก็แสดงขึ้นตามอาัยวะต่างๆในส่วนร่างกายของเราเจ็บ น, นั่นปวดนี่เราก็ว่าทุกตั้งเกิดขึ้นที่นั่นทุกเกิดขึ้นที่นี่ไม่สมายกายไม่สมายแขงสมายขาไม่สมายที่นั่นที่นี่ถ้าจริงก็เขาตื่นนอนแล้วก็จะขับไล่เขาออกจากร่างกายนี้ขับไล่เขาไปไหนทุกมันก็คือเรื่องของเรา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 การจะถือว่าเป็นตัวเป็นต้นขึ้นได้ก้อนเนื่องจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาในจุดนั่นก่อนนั้นเราก็เรียกวันนั้นเป็นเหล่านั้นเป็นของเราเท่านั้นเองเมื่อถอนความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นขึ้นเป็นอันออกได้แล้วคำว่าตนก็ไม่มีปัญหาหายไปเอง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 ร่างกายจึงมีความเจริญเติบโตขึ้นได้ขนาดหนึ่งเรื่องของสติปัญญาเรื่องของใจเมื่อได้อาศัยการอบรมบำเพ็ญดีเสมอก็จะต้องมีวันเจริญเติบโตจิตใจที่มีความโง่เขาเบาปัญญาก็จะกลายเป็นผิดอิขนาดของใสขึ้นมาปัญญาที่มีความโง่เงาตาตุ่นก็จะกลายเป็นความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นมาทตินถี่หลงหลงลืมลืมก็จะกลายเป็น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 กิเลสตันหาอาสวะแทรกซึมอยู่ที่ไหนปัญญาจะต้องสอบสองมองรู้เห็นหมดแล้วสามารถกดเครื่องออกหน้เป็นลนำดับจนไม่มีกิเลสตันหาอาสวะตัวใดๆที่จะเคือบแ็งอยู่อยู่ได้ภายในใจิตใจเพราะอำนาจปัญจิตกับปัญญาที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในใจิตใจแล้วล้อมรอบจิตใจไว้สามารถจะ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 ไม่ไปยึดในเรื่องความทุกข์ความร้อนไม่ไปยึดในดินฟ้าอากาศไม้ยึดในความหิวความกระหายเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นปกติธรรมดาเพราะเรื่องของใจรู้รอบตัวเองไม่ไปเกี่ยวพันกับสิ่งทั้งนั้นหลนั้นแล้วนายาพิษมาเาผาผลาญตมเด็กกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ความที่เป็นทั้งน่ง เป็นขึ้นมาจากการพยายามอบรมมีความขยันหมั่นเพียรต่อการชำํำระปิติใจของตนซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากจนกลายเป็นของที่เลยประมาณแห่งคุณค่าทั้งหลาเรียก็แบบเป็นใจที่อัศจรรย์ยังครองอัตภาพอยู่ก็เป็นใจที่อัศจรรย์เห็นได้ชัดทัดภายในตัวเอง เมื่ออัตภาพนี้เลยแตกสลายลงไปแล้วจะกลาเป็นของกรรมท่าเรซา ม, มาจากที่ไหนข้อต้องเป็นธรรมทั้งแท่งดิฉันนั้นเองดังนั้นขอให้ท่านรับปฏิบัติใละท่านเคลื่อนใจทั้งหลายจงมีความใคร่และมองดูต่อเองให้เห็นว่าเป็นของสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วพยายามบำเพ็ญอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งใน้พบพระพุทธศาสนาซึ่งสมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผล นำธรรมะทำทังสอนทั้งพระพุทธเจ้ามาแก้ไขจิตใจของตนกายวาจาของตนให้เป็นไปเพื่อความสะดวกทั้งถังหลบและถังธทมทูทีเลยบำเพ็ญเต็มความสามารถและบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์แล้วผููนั้นก็ผ่านไปได้ในอัตภาพนี้ทูที่กําลังก้าวเดินดีก็จะมีวันที่จะผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัย ในอวสานของพระธรรมเทศนานี้จึงขอบรร ญ, ญาณุภาพขององค์สมเด็กพระภูมิราาพระพาสาวพร้อมทั้งสัตย์ธรรมและประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลาให้มีความสุขกายสบายใจและนึกถึงในจงเห็นตามความเมตต า, า, า่อท่านดีเท่านั้นา่ะทุท่